ก็ตนรับถูกภาคบายเมื่อเช้าได้พูดถึงเรื่องลมหายใจยาวพร้อมกับให้พวกเราได้ลองปฏิบัติ ด, ดูก็เชื่อว่าหลายคนได้ประสบการณ์กับการรู้ลมหายใจยาวลมหายใจยาวมีประโยชน์มากเพราะพระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นข้อแรก ดีกังวาอาจัสร์สั้นโตดีกังอาตัสรมีติปัญานาติคือแรกแรกพระพุทธเจ้าให้เรากําหนดปัญานาติคือกําหนดรู้กําหนดรู้ลมหายใจยาวไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยรืยจากการกํากหนดรู้ต่อไปมันไม่กําหนดแล้วมันก็จะเข้าไปสิกขะติคือศึกษาศึกษาไปศึกษาไปศึกษาไปจนเกิดความรู้ ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการศึกษาที่โตมาจากการกําหนดเนี่ยเป็นองค์ความรู้ที่ในลักษณะของการยังรู้องค์รู้ตัวนี้มันจะจะรู้ที่เป็นกลางคําว่าเป็นกลางคือว่ามันไม่ใช่รู้ที่อกรู้ที่ไปด้วยอํานาจของสัญญาหรือรู้ที่ไปด้วยอํานาจของเจตนาแต่รู้ที่มันตั้ง แล้วก็เห็นสิ่งที่เกิดคือลมหายใจจากการกำหนดรู้ก็ศึกษาศึกษาจนเกิดความรู้รู้นั้นมันจึงเห็นลมหายใจเราจะเห็นลมหายใจที่จะเป็นไปตามธรรมชาติของลมหายใจนีในระหว่างนั้นมันมีสภาวะอที่เกิด มันเรารู้ลมหายใจที่เป็นธรรมชาติตามที่มันเป็นอย่างนั้นเมื่อสภาวะใดๆเกิดจิตรู้ตัวเดียวกันมันก็จะไปรู้สภาวะที่เกิดนั้นตามธรรมชาติที่ที่มันเป็นนั่นคือการเข้าไปรู้ในความเป็นจริงของทุกๆสภาวะที่ปรากฏนั้นคำหนึ่งที่ตมาได้เขียนไว้ว่าสิ่งใดๆที่ปรากฏจิตกําหนดอย่าหุนหัน แค่ดูและรู้ทันและจึงหันมารู้ลมหมายความว่าพอพอลมหายใจเป็นสิ่งที่ถูกรู้อย่างเป็นธรรมชาติรู้นี่ก็เป็นธรรมชาติลมหายใจก็เป็นธรรมชาติถ้าธรรมชาติรู้รู้ลมหายใจอย่างเป็นธรรมชาติได้อย่างนั้นสภาวะที่มันปรากฏมันจะไม่มีการตื่นระหนกตกใจกลัวอยากได้ทวิหนหาอะไรพอมันเกิดปั๊บมันก็รู้ ในสาภาวะที่เกิดขึ้นอย่างธรรมชาตินั้นธรรมชาติของสาภาวะทุกอย่างมีความเป็นไปที่เหมือนกันคือมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในขณะที่ตั้งอยู่ก็แปรปรวนดับไปเหมือนเราไปยืนอยู่บนริมเขามองลงไปด้านล่างแล้วก็มีรางรถไฟมองไปที่รางรถไฟนั้นแหละ เดี๋ยวก็รถด่วนพิเศษวิ่งผ่านเดี๋ยวก็รถเร็ววิ่งผ่านเดี๋ยวก็รถสินค้าวิ่งผ่านทุกๆเราเกาะ อ, อยู่ที่ร้างนั่นแหละนั้นไม่ว่าขาบวนรถอะไรที่วิ่งผ่านพอเรามองเห็นเป็นธรรมชาติของมันมันก็เหมือนกันคือพอมาปั๊บก็เิ่งเกิดขึ้นใช่ไหมปรากฏแล้วก็หายไปเกิดขึ้นปรากฏ หายไปเกิดขึ้นปรากฏหายไปการจะเห็นว่าความเป็นจริงของสภาวะที่เป็นธรรมชาติอย่างนั้นได้จิตมันจะต้องรู้อย่างธรรมชาติและก็รู้ในธรรมชาติที่มันรู้ด้วยถ้าเราเริ่มต้นฝึกอนาปานสติเริ่มต้นเราปัจฉานาติคือกาหนดรู้ลมหายใจเป็นรู้ที่กําหนดนะเพราะก่อนที่เราจะรู้ลมหายใจเรารู้อะไรก็ไม่รู้ บัดนี้ฉันจะรู้ลมหายใจแล้วฉันจะทํำยังไงฉันก็มากําหนดนะมันไปรู้ที่ลมหายใจถูกไหมนี่เรียกว่าประชานาติเป็นการตั้งต้นของการภาวนาพอเรากําหนดรู้ไปเรื่อยเรื่อยเรืยเรื่อย เ, อยเอยลมหายใจเป็นสิ่งที่ถูกรู้นั้นเราจะว่าเราแค่รู้ลมหายใจอย่างเดียวแค่กําหนดรู้ลมหายใจอย่างเดียวเมื่อก่อนที่จะมาบอกเนะี่ยหมายความว่ามันมีระ ย, ยะของมันที่มีรายละเอียดดังกล่าวเหมือนวันนี้ภาคเช้าเห็นไหม แค่ลมหา่ยาวอย่างเดียวโอ้มันก็เราอยาไปดูว่ามันยากนะแต่เราดูว่าโอ้มันลึกซึ้งดีเนาะใช่ปะละ่ะเออมันก็ลึกซึ้งดีอะ่ะพอเราไปดูในในเนื้อหาในรายละเอียดของเขาแล้วมันจะทําให้เราแน่วแน่อยู่กับลมหายใจได้มากขึ้นเข้าใจไหมแน่วแน่อยู่กับลมหายใจได้มากขึ้น แต่ก็นั่นแหละให้รู้ไว้ลึกไปกว่านั้นก็คือสิ่งนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่สิ่งที่ธรรมมาบอกเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกบอกแล้วเขาก็จําจําแล้วก็ก็ปฏิบัติได้รับผลแล้วสืบทอดกันมาจนถึงรุ่นเราจนถึงรุ่นพวกเราเนี่ยเราก็ไม่มีอะไรใหม่ทําอย่างเดิมฟัง ทำความเข้าใจเสร็จแล้วก็ปฏิบัติอืมแต่ในรายละเอียดที่มันเยอะพระพุทธเจ้าน่ยไม่ได้ท่านไม่ได้บอกเยอะขนาดนี้แต่ท่านที่ฟังจําและปฏิบัติแล้วแต่ละคนที่ท่านได้ผลแล้วท่านก็มีประสบการณ์ก็เรียกว่าทางผ่านของผู้ปฏิบัติมีประสบการณ์ของแต่ละท่านแต่ละท่านแต่ละท่านแต่ละท่านแต่ละท่านได้รวบรวมได้กล่าวได้พูดได้เขียนไว้ ที่มันไม่ขัดกับที่พระพุทธเจ้าสอนและคนนำมาใช้แล้วก็เหมือนอย่างหลวงตามหมาบัวท่านบอกว่าให้ใช้คาบริกรรมพุทธโทเพื่อไปกากับไม่ให้จิตมันกระสับกระสายอันนี้เป็นเทคนิคน ะ, ะเป็นเทคนิคนแต่เราใช้เทคนิคนี้แล้วในที่สุดจิตเราจะไปรู้อยู่แค่ลมหายใจและในที่สุดมันก็จะหลีกออกมาจากลมหายใจ พอลีกออกมาจากลมหายใจในขณะที่รู้ตัวคือมีสติอยู่นั้นอุเบกขาก็ตั้งขึ้นอุเบกขาคือที่ตั้งขึ้นอยู่นั้นน่ะมันตั้งขึ้นโดยมีความรู้เป็นฐานของตัวรู้ตัวรู้ที่มีอุเบกขาเป็นฐานต่างกับตัวรู้ที่มีสัญญาเป็นฐานตัวรู้ที่มีสัญญาเป็นฐาน คือรู้ที่พร้อมจะปรุงแต่งไปตามเรื่องราวต่างๆคือเหมือนกันหมดอ่ะเพียงแต่ว่ามันเป็นสัญญาเป็นฐานนะสัญญามันก็พาไปไอ้ทำไมเรารู้ลมหายใจอยู่ด้วยเราดูหนงังเกาหลีได้ด้วยเว้ยไอ้รู้ที่ดูลมหายใจอยู่อ่ะทำไมมันไปดูหนงังเกาหลีได้ด้วยเพราะอันนั้นคือสัญญาเป็นฐาน เข้าใจไหมนั่นคือสัญญาเป็นฐานอืถ้ารู้ที่สัญญาเป็นฐานเนี่ยเป็นความรู้ชั้นทิฐิเป็นความรู้ชั้นทิฐิโดยเฉพาะป้องกันอกุศลไม่ได้แต่รู้ที่มีอุเบกขาเป็นฐานคือรู้ที่ผ่านการอบรมมาเนี่ยรู้นี้มันจะอยู่นอกจากสัญญา คือตรับได้ที่สัญญายัางเข้ามามีบทบาทมันจะเป็นอุเบกขาไม่ได้เพราะเมื่อสัญญาเข้ามามีบทบาทมันจะทาให้จิตที่เป็นสัอุปท า, านในสันอุปท า, านในขันเรียกว่าอุปท า, านในขันยังปรากฏอยู่ถ้าเราเคยปฏิบัติอะไรมาแล้วเราว่าดี เราเคยทำอะไรมาเราบอกว่าเราชอบมันมีสัญญาอยู่ในความชอบอันนั้นจิตยึดในสัญญานั้นเรียกว่าสัญสัญอูปาทานขันถาคือการอุปาทานนักขันการอุปาทานในสัญญาอันเมื่อเขามาปรากฏอยู่ในขณะที่เรารู้ลมหายใจรู้ที่เกิดอยู่นั้นจึงเรียกว่ามีสัญญาเป็นฐาน ถ้ารู้ที่มีสัญญาเป็นฐานมันเป็นการคิดมันเป็นการปรุงแต่งด้วยเหตุและปัจจัยเพราะฉะนั้นเราต้องภาวนาไปจากกำหนดรู้ศึกษาจนเกิดองค์ความรู้ทำไปตามลำดับไปเรื่อยเๆืๆๆยเืยรื่อยเรืยรืยในที่สุดรู้ก็จะเหมือนอย่างที่กล่าวถ้าเป็นสับย่าว่าสภาวะธรรมาจิตตังวิวัตเตติอุเปขาสันทาติก็คือจิตจะหลีกออกจากสภาวะธรรม จิตจะหลีกออกจากสภาวธรรมแล้วอุเบขาปรากฏ <c oughs> นั่นก็คือว่าสภาวธรรมมันก็เป็นอยู่ของสภาวธรรมแต่จิตหลีกออกจากสภาวธรรมคือไม่ไปสำคัญคาดหมายกำหนดใดๆในสภาวธรรมนั้นๆรู้ในความปรากฏของสภาวะทั้งปวงแต่จิตให้ จะรู้ในสภาวะเหล่านั้นตามธรรมชาติที่มันเป็นนั่นคือยะถาภูตังปชานาติเกิดการรู้ตามความเป็นจริงข้าหลวงพ่ออัญญาโกนธัญะที่ฟังธรรมจักกับประวัตนสูตรฟังแล้วก็พิจารณาศึกษาเรียนรู้ไปอย่างนี้ในทำเนื้อหาของธรรมจักจนท่านเกิดว่าอ๋ออ๋อนี่อัตมาใส่ไปเองนะ อ๋อนี่คือคือวาลักษณะของความความเข้าใจภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าอะไรเก็ดเหรอที่เราชอบพึ่กันอ่ะโอ้โหงูงมาตั้งนานพึ่งเก็ดอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยลักษณะเนี้ยแล้วมันเก็ดอ่ะคือท่านฟังฟังฟังว่าอ๋อยังกินจิสมุทรยัตธรรมสัพันธังนี่ราถ้ธรรมังสิ่งใดใเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความดับเป็นธรรมดาอย่างนี้นี่เองเนื้อรู้ ที่มีอุเบกขาเป็นฐานมองเห็นสภาวะที่เกิดตามความเป็นจริงไอ้นั้นเกิดขึ้นนะก็ดับไปไม่ไปสไม่มีสัญญาไปสำคัญคาดหมายปรุงแต่งว่าในสภาวะนั้นมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นสีอย่างนั้นสันถันอย่างนั้นสวยอย่างนั้นน่ารักอย่างนั้นไม่มีเพราะมันไม่ใช่บริบทของธรรมชาติแต่ตัวธรรมชาติจริงๆ แต่ก่อนมันไม่มีอยู่ๆมันปรากฏพอมันปรากฏอ้ามันก็ปรากฏตั้งอยู่เอ๊ะมันก็แปรเปลี่ยนไว้ตั้องอยู่ก็หายไปอ้ามันหายไปไว้อันนี้เกิดขึ้นอ้าเกิดขึ้นไว้ตั้งอยู่ปรากฏไว้หายไปไว้เกิดขึ้นปรากฏหายไปเกิดขึ้นปรากฏหายไปอ๋อสิ่งใดๆเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความดับเป็นธรรมดาเป็ น, นความรู้ที่มีโอเบขา Beatles, เป็นฐานแล้วก็ลึกซึง้งรู้อย่างนี้เรียกว่าอะไรเรียกว่า โซดาโซดาปัญนาอาเหสุงได้เป็นโสดาบาัลแล้วเราต้องเข้าใจบางคได้ยินว่าโสดาบัลอุ้ยพูดไม่ได้พูดไม่ได้ท่านต้องเข้าใจว่ามันเป็นเหตุแล้วก็มีเหตุมีปัจจัยที่ให้เกิดไม่ใช่อยู่ๆมันมาเป็นพระพุทธเจ้าจะสอนไว้ทำไม คำว่าโสตาปฏิปันาอาเหสอ่ะโสตาปฏิปันาอาเหสูงหมายว่าได้เป็นโสดาบาแล้วเพราะรู้ที่ตั้งอยู่บนอุเบกขามันจะเห็นสิ่งที่ปรากฏเป็นธรรมชาติ เกิดขึ้นเป็นธรรมชาติปรากฏเป็นธรรมชาติและหายไปเป็นธรรมชาติไม่มีสัญญาเข้าไปร่วมปรุงแต่งให้สําคัญคาดหมายว่าไอ้นั่นเป็นนั้นนอันนั่นเป็นอันนี้อันนั่นเป็นและในที่สุดเราไม่มีในนั้นในนั้นไม่ใช่เราเราไม่ได้อยู่ในนั้นมันแยกขาดจากกันไม่ก้าวไกลกันเป็นอย่างนั้นพอไปถึงตรงนั้นมันเกิดอะไรขึ้น่ะ เมื่อจิตเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความดับเป็นธรรมดามันเกิดจากรู้ที่ตั้งอยู่บนูเบขาใช่ไหมล่ะมันไม่ใช่มาจากอากติมันก็ถ้ามันเกิดความเห็นใดๆขึ้นมาความเห็นนั้นจะเป็นอย่างไรถูกต้องในรู้นี่นะเมื่อมันเป็นลักษณะของความเห็นมันจะถูกต้องเลย เป็นลักษณะของความคิดความคิดนั้นจะถูกต้องถ้าจะพูดละ่ะมันก็ถูกต้องใช่ไหมแล้วถ้าจะทําอะก็ถูกต้องจะประกอบสัมมาอาชีพมันจะไปปล้นไปจกจริงวิ่งราวอยู่เหรอไม่ทางอาชีพที่ทํามันก็จะถูกต้องเพราะรู้ตัวนั้นมันจะทําให้เกิดมีความสุขกับการเคลื่อนไหวของรูปนาม และสุกนั้นที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของรูปนามนี้มันจะต้องถูกต้องและมันถูกต้องหนงไหนถูกต้องทั้งแปดส่วนถูกต้องทั้งความเห็นความคิดกัรพูดการกระทำการเลี้ยงชีวิตการเคลื่อนไหวพยายามและการรลึกรู้รวมทั้งความตั้งใจทั้งหมดมันจะเกิดพร้อมกันตรงนั้นก็เรียกว่ามักกสะมังขี เราได้ยินคนพูดเราลอจะไปควังว่าพูดเอาว่าเเท่นะมันมีที่มาที่ไปแค่รู้ตัวเดียวอะมันเป็นมรรคสมังคีเพราะมรรคมันไม่ใช่แปดประการมรรคมันคือรู้ตัวเนี้ยแต่องค์ประกอบของรู้ตัวนี้มีแปดทางและองค์ประกอบทั้งแปดประการนี้มันมีอยู่ที่ใจของเราใจเราทุกคนมีองค์ประกอบองค์ประกอบเป็นประการ ใจเราทุกคนมีความเห็นมีความคิดมีมีอยู่เบื้องหลังของการพูดมีอยู่เบื้องหลังของการกระทํามีอยู่เบื้องหลังของการเลี้ยงชีวิตมีความพยายามเป็นลักษณะมีความระลึกรู้และมีความตั้งใจลักษณะแปดประการนี้มีทุกใจพระพุทธเจ้าเป็นศัตรู้ที่ไหนนั่งที่ใต้ต้นโพหลับตาลงไปที่ใจคนไปคนไปคนไปโอ้ยเจอความจริงเยอะแยะมากมายในใจของพระพุทธเจ้าน่ะแต่ปรากฏว่าความจริงที่พระเจ้าพบ มันเป็นความจริงที่มีอยู่ต่อใจทุกใจไม่เว้นแม้กระทั่งโยมโยมโยมโยมโยมทุกคนเข้าใจปะมันมีอยู่ในนั้นหมดเลยเพราะฉะนั้นรู้ตัวนี้เมื่อเขาปรากฏตั้งขึ้นจึงมีคุณสมบัติจะไปปรับคุณสมบัติของใจทั้งแปดประการนั้นน่ะ ให้มันถูกต้องไปด้วยกันเรียกว่ามักคัมังคีและถ้าความถูกต้องทั้งแปดประการเกิดขึ้นพร้อมกันเมื่อใดเมื่อนั้นเป็นอะเอออยู่ที่กำลังลูกอยู่ที่กาลังถ้ากำลังของรู้นี้ทำให้ความชอบทั้งแปดมีกำลังมากถ้ามันมีกำลังเพียงแค่ทำให้ศีลบริสุทธิ์ตลอดชีวิต ก็เป็นโสดาบันปกปศาบันมันก็แค่ว่าคนที่ถือศีหน้าโดยธรรมชาติไม่มีวันผิดศีหน้าโดยเด็ดขาดตลอดชีวิตนี้ก็เป็นโสดาบันอะแต่ยังมีแต่งงานมีครอบครัวนางวิสาขาแก เ, เป็นโสดาบรนตั้งแต่เจ็ดขวบอะแกมีบุตรตท่าไรยี่สบหญิงสิบชายสิบคิดดูบุตรแควนางวิสาขา เผลอเผลอสติไปหน่อยก็ร้องง่ายหลานสาวตายคนหนึ่งอะร้องง่ายเพราะหมายมั่นปั้นมือว่าให้หลานคนนี้จะทําหน้าที่มหาอุบาสิกาแทนตนเองคอยแทกแคร์ดูแลพระแต่ว่าหลานคนนี้เดินตายไปใจก่อนมองคนอื่นแล้วไม่มีหวังเลยแล้วใครจะมาช่วยดูแลพระได้แล้วก็เลยเศร้าโศกเสียใจเจอพระพุทธเจ้า พระพิจ้าก็เขีย่ยเส้นผมออกจากในตาเขาเรียกว่าเส้นผมบังภูเขาพระพจ้าให้นั่งนึกว่าดูในเมืองสาวาัตถีมีคนเท่าไหร่อิสาะขาเจ็ดโกดเจ็ดโกดคือเจ็ดสิบล้านเลยเจ็ดโกดนี่คือเจ็ดสิบล้านทำไมนะมนนแต่มันอาจจะเป็นคําพูดโดยประมาณประมาณนะนะออถ้าเจ็ดโกดเนี้ยถ้าคนทั้งหมดในเมืองสาวาัตถีติดโกดเนี้ย เป็นเหมือนหลานเธอทุกคนคือเธอรักเขาทุกคนวันหนึ่งหนึ่งก็มีตายกี่คนล่ะวิสาขาอ้ยเยอะมากว่าเจ้ากะจำไม่ได้ห้งั้นเธอจะมีเวลาไหนละ่ะที่น้ำตามไม่ไหลออกจากเบ้าตา <c oughs> แค่ดัชนนางวิสาขาเข้าใจเลยเพราะอะไรเพราะรู้ตัวที่มีอยู่มันเป็นฐานอยู่แล้วแค่มีกำลังไม่พอที่จะมองให้เห็นตามความเป็นจริงเพราะวังเรื่องมันผูกพันมากหนักมาก เพราะฉะนั้นคำว่ารู้ตัวที่ได้มาจากการฝึกฝนและอบรมมีอุเบกขาเป็นฐานสาคัญมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาแค่พูดกันเราก็จะต้องภาวนาเข้าไปในเส้นทางเส้นนี้และเส้นทางเส้นนี้เดินเข้าไปแล้วมันจะทำให้เราเข้าสู่สัมโพธิมุต แล้วบ่ายนี้เราจะภาวนากันอย่างไรแต่เดิมนั้นให้เดินจงกรมใช่ไหมแต่วันนี้คนเยอะมากนี่ทั้งล่างทั้งบนไม่มีที่จะเดินนะฮะ <laughs> เพราะฉันภาคบ่ายก่อนที่จะนั่ง จะสนทนากับพวกเราเรื่องเรื่องสำคัญนักเรงภาวนาจำไว้เลยนักเรงภาวนาจะต้องมีวิชาติดตัว <c oughs> วันนี้จะพูดเรื่องที่เราจะต้องรู้และให้เป็นการบ้านทุกคนจำไว้จากนี้ไปจะต้องรู้เรื่องนี้เพราะว่าพระพุทธเจ้านั้น เวลาพระพุทธเจ้ามีพระไปหามีใครไปหาขอเรียนขอเรียนสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ใช่อื่นนะพระพุทธเจ้าจะสอนอาการสามสิบสองและท่านให้เกียรติอาการสามสิบสองมากถึงขั้นเรียกว่าพุทธมนต์ <c oughs> อา้าททำไมละ่ะเวลาเรามาพูดถึงคาว่าตัวเรา เรารู้ตัวรู้ตัวคืออะไรรู้ตัวคือรู้ตัวเราใช่ไหมแบบไหนอ่ะบีรู้ตัวไหมลรู้ตัวไหมรู้ตัวแบบไหนอ่อำอ่ำอึ่งอึ่งใช่ไหมกว่าจะตอบสักทีโอ้ยไม่รู้จะพูดให้หลวพ่อเกตยังไงดีหลวพ่อจะได้ไม่มาสวนกลับเพราะวิชาเราหายไปหนึ่งวิชา ตัวนี้เป็นเคล็ดลับวิชานั้นนักเลงภาวนาต้องรู้ไม่ว่าสายไหนนะไอ้พวกภาวนานี่ยนาะจมาเรียกว่านักเลงภาวนาไม่ว่าสายไหนจะต้องรู้เพราะมันจะทําให้เราเข้าถึงตัวของเราได้ชัดเจนครบทั้งบริบทของมันเพอเอ่ยถึงคำว่าตัวเราจิตเราจะวิ่งปุ๊บเข้าสู่ความเป็นตัวเราโอม และเมื่อรู้วิชาบทนี้แล้วจะเข้าใจถึงคำว่ากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมได้ไม่ยากโดยเฉพาะกายในกายไม่ต้องมานั่งโต้เถียงกันแล้วไม่ต้องไปหาศัพท์หาบาลีพิปเทปิฎกแล้วไม่ต้องเดินทางไปถามใครที่ไหนแล้วเพียงแค่เรารู้บนบทนี้นะมีพระไปหาพระรูธเจ้า ว่าในระหว่างนี้จะทำอะไรดีพระพุเจ้าก็ให้หมดหมดเนี่ยพอมารุ่นหลังๆครูบาอาจารย์ยุคต้นพุทธกาอายุปัจฉิมปัจฉิมมาพุทธปลายหลังจาก พ, พุทธเจ้าดับขันธที่มาเสด็จ ด, ดับขันทปริพาน์ใหม่ๆครูบาอาจารย์ตอนนั้นมีพระเข้ามาบวชกันเยอะเหมือนกันครูบาอาจารย์ที่ท่านสำเร็จแล้ว ท่านจะสอนพระเนี่ยเนี่ยเวาเขามาถึงปั๊บเอาให้หมนบทนี้ไปก่อนและบางองค์ท่านก็ใช้เทคนิคเราอย่าลืมว่าถ้าเราไปอ่านเจอในหนังสือใดๆก็ตามที่เขาเขียนไม่เหมือนกันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขอให้รู้ว่าเป็นเทคนิคของครูบาอาจารย์เพื่อที่จะให้เราเราจะใช้ก็ได้ไม่ใช่ก็ได้เราจะเอาถนัดของเราก็ได้ที่มันไม่ขัดแย้งกันท่านให้พิจารณา พิจาราบ น, น บ, น, น, บ น, นบางคนเอาไปในท่องอย่างเดียวต้องแต่สมัยโ น, โน้นน่ะเขาท่องเกเราโลมานาคาดันตาตาโจนก็ท่องไปนะเขท่องปั๊ก็เข้าใจเหมือนเราท่องว่าผมใช่ไหมเราท่องว่าผมเราก็เข้าใจแล้วอขนเราก็เข้าใจแล้วเล็บเราก็เข้าใจแล้วแต่ในสมัยก่อนเขาไม่ใช้เ ข, เขาใช้ภาษาของเขาก็ขอขอาคือเกสาโลมานาคาเนี่ยพอเราทําภาวนา จเจรินอาณาปานสติเนี่ยทําไปเรื่อยเรื่อยรืยเยเราสามารถอยู่ในสภาวะที่จิตอยู่กับอารมณ์อันเดียวได้เนี่ยจิตมีประสบการณ์มีความรู้กับการมีอารมณ์อันเดียวที่เรารู้กับลมหายใจอยู่เนี่ยพอเรามานั่งนึกถึงผมจิตเรามันก็จะปักไปสู่ผมไม่เหมือนคนที่ไม่ได้ภาวนา คนที่ไม่เคยมีประสบการณ์จากการที่ให้จิตอยู่กับอารมณ์มันเดียวพอนึกถึงผมมันก็จะไม่ลึกและไม่ชัดเท่ากับคนที่เคยภาวนาทีานี้พอเรานึกถึงผมปับ๊บจิตมันวิ่งเข้าไปที่ผมนึกถึงโขนปับ๊บจิตมันก็วิ่งเข้าไปที่โขนนึกถึงฟันจิตมันก็วิ่งเข้าไปที่ฟันถูกไหมอันครูบาอาจารย์ทำไปก่อนท่านบอกเอาให้ไปสวดสี่เดือนสวดแต่อันเนี้ย สาทยายาเนี้ย่เดือนไม่ต้องทำอะไรเลยสี่เดือนบางคนสวดไปได้ส5บหวันสัจชายันตาวะโซตาป น, นาาเฮสุง่งแปลว่าเพียงแค่สาทยายไปอย่างต่อเนื่องได้เป็นโสดาบันแล้วมันง่ายขนาดนี้นะ มันง่ายขนาดนี้ก็ลองนึกดูสิถ้าเรานั่งระลึกถึงฟันของเราเองอะ่ะระลึกสิฟันของเราเนี่ยไงนึกถึงสีนึกถึงสันฐานนึกถึงที่เกิดที่อยู่นึกถึงไปเรื่อยเรมันเกิดปฏิกูลเกิดโศกรปรกเกิดโสโครกเกิดไปเรื่อยเรยเยแล้วเรานั่งนึกอยู่อย่างเนี้ย่ะิบห้าวันจะเป็นยังไงจิตจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหน อ, อะ และผมขนเล็บควันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกนึกถึงไปทีละตัวแต่และตัวสิครั้งหนึ่งนึกห้าหมวดผมขนเล็บควันหนังอีกห้าหมวดเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้าหัวใจม้าเอ็นเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้าอีกห้าหมวดหมดละห้าหมดนึกลองนึกดูสิ นึกถึงหัวใจของเราเองอะที่มันเต้นตึ๊บตึ๊ึ๊ถึงสภาพนึกไปถึงแล้วก็เห็นเป็นเนื้อของหัวใจที่มันกำลังเต้นมีเลือดฉับทาอยู่ข้างในข้างในนึกไว้นึกไว้นึกไปมันมีอะไรนึกถึงสีก็สกปรกใช่ไหมมันไม่มีอะไรที่ชวนให้เราเข้าไปเพื่อที่จะน่ารักน่าใคร่ได้เลยเพราะฉะนั้น วิชาเนี้ยเป็นวิชาที่นักเลงภาวนาต้องมีติดตัวเราจะต้องสวดอาการสามสิบสองให้ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาบาลีบางคนบอกว่ไม่เอาวงพ่อเรื่องจำจำต้องต้องไม่เอา ไว้แค่นี้มึงทำไม่ได้มึงจะไปล่าอะไรได้ไอ้ น, นี่มันเส้นทางของนักเลงภาณาภาวนานะเว้ยเพราะอะไรรู้ป่ะพอเรามาแยกศึกษาร่างกายของเรากายของเรานี่แลเบื้องบนแต่พื้นเท้าคือขวาเท้าขึ้นมาจนถึงหนังศีรษะนี่คือเบื้องบนนะเบื้องบนอยู่ตรงไหนตั้งแต่ขวาเท้าขึ้นมาจนถึงหนังศีรษะ แล้วเบื้องล่างอ่ะตั้งแต่หนังศีรษะลงไปจนถึงขวาเท้าตัดเป็นสองส่วนส่วนกลางอยู่ตรงไหนหนาพีคือสะดืออวัยวะใดที่อยู่เลยนาพีขึ้นมาเรียกว่าอยู่ทิศเบื้องบนอวัยวะใดสิ่งใดที่อยู่ต่ํากว่านาพีลงไปเรียกว่าเบื้องล่างเพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาตัวเราเองเราจึงต้องดู สีสัญฐานกลิ่นที่เกิดที่อยู่ทิศขอบเขตแล้วก็ดูตัวเราเล็กๆเนี่ยแต่เราก็ต้องดูอย่างนี้ตัดเป็นท่อนๆหลวงปู่เจี๊ย่านสอนท่านบอ ก, กตัดเป็นท่อน ๆ, ต, นอนๆตัดเป็นส่วนกลางเนี่ยเรียกว่านาพีส่วนกลางแล้วก็ดูขึ้นมาข้างบนออาวเราดูสิเกษาผมทั้งหลาย โลมาขนทั้งหลายนักขาเล็บทั้งหลายทันตาควันทั้งหลายตะโจหนังอ้าวห้าหมวดนี้ก่อนเกษาผมทั้งหลายผมของใครผมของเราใช่อเ้าดูสีมันเป็นสีอะไรสีดำมั่นใจ คือคือที่ถามไม่ใช่อะไรนะคือดำก็กดำไม่ได้ว่า <laughs> แต่มั่นใจสีเดิมๆมานะ <laughs> ผมดูสีสิอ๋อสีดำสันฐานเป็นยังไง <laughs> เป็นเส้นเสน้นที่เกิดมันเกิดที่ไหนหนังสีสะอือ ที่อยู่ก็บนหัวนี่นะที่อยู่จริงๆก็คืออะไรรากของผมที่มันฝังตัวเท่ากับตัวเหาอยู่ในหนังศีสะกันที่เกิดที่อยู่ที่เกิดมันอยู่ได้ด้วยอะไรอ่าน้ำเลือดน้ำหนองที่คอยล่อเลี้ยงชุ่มฉอยู่ มันหมกมุ่นชุ่มแช่อยู่กับสิ่งโสกโปรกโสโครกใช่เปล่าถูกกระโผลไหมอลองนึกสิผมเรามันโสกระโปรกเปล่าอนุน่นโสกระโปรกไหมผมเธอฮะอพอมันไปหมกมุ่นชุ่มแช่อยู่กับสิ่งโสกระปรกโกสโครกเช่นนั้นมันจึงคายแต่สิ่งโสกโปรกออกมาไอ้ที่เราต้องไปชําระสางอยู่ตลอดเวลานะต้องลงไม่ชาระสิ เสียความมั่นใจไปเลยใช่ไหมทีนี้พอเราไปรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยอะไรเกิดขึ้นพแต่เดิมคำว่าผมสวยผมเราผมสวยมันมีความพยายามมากมายทีเดียวเพื่อให้ผมเราสวยเพื่อเกิดความดูดีใช่ไหม ทำไมมันต้องพยายามถึงขนาดนั้นเพราะแท้จริงมันไม่สวยเราปรารถนาให้คนทั้งโลกเดินผ่านเราแล้วบอกว่าโอ้ยผมดูน่ารักดูสวยดูดินั่นคือความปรารถนาของเราใช่ไหมเออเพราะเราไม่ได้อยู่กับความเป็นจริงของมันเพราะเราพิจารณาทั้งสีสันฐานกลิ่นที่เกิดที่อยู่ของเขาชัดเจนอย่างชัดแจ้งแล้วจิตมันยอมรับ แต่ต้องพิจารณาบ่อยๆพิจารณาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นท่านจึงต้องบอกว่านักเลงภาวนาต้องเรียน ม, มนบทนี้ต้องเรียนบนบที้นี่แค่ผมเลยแล้วดูสิว่าของเราจริงไหมเรารักมันจริงอะ่ะแค่เส้นผมของเราเองเรากำลังกินก๋วยเตี๋ยวอยู่มันหลุดร่วงลงมาในก๋ว ย, ยชามก๋วยเตี๋ยวเราอะ่ะจะกินต่อก็ยังต้อง จะกินต่อยังต้องทำใจเลยนะถูกไหมแต่ถ้าเป็นของเราเองอ่ะเราสามารถหยิบมันออกและข่มใจกินต่อได้แต่ถ้าของใครที่เราไม่รู้อ่ะทั้งทั้งที่ของเราแต่ว่าเราไม่มั่นใจว่าเป็นของเรามันอยู่ในชามไว้เดียวอ่ะเป็นไงแคทขากินไมลูกก้า <c> ว <oughs> กินบ่ไม่เอาเออทุกอ ย, ย่างเลย ท้ห้า5หมวดเล็บล่ะโอ้ยเล็บใครวะถ้าเล็บนี่นะ <laughs> <laughs> ถ้าเล็บนี่แม่เป็นของตัวเองก็จะเป็นยังไง <c oughs> อเล็บควันนะตายเลยทีนี้ฮ <laughs> <laughs> <laughs> ะเออหนังยิ่งไม่ต้องพูดถึง <c oughs> เพราะฉะนั้นเพราะอะไร เพราะสภาพเป็นจริงของเขามันสกปรกโศโครกปฏิกูลอืมันส ก, ร ป, ก, ส ก, ร ป, กปรกโศกโครบและปฏิกูลเนี่ยอย่างเงี้ยพิจารณาเงี้ยอันนี้เราทําให้เราได้อะไรทําให้เราได้อะไรทําให้เรารู้จักตัวเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วว่าผมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อันนี้เบื้องรู้เบื้องต้นนะเอาผมขน ผมคือลักษณะเป็นเส้นๆหอกอยู่บนสีสษะเบื้องหน้าก็เพียงหน้าผากนี่แหละเบื้องหลังก็พลายกอต่อเบื้องฝางก็มีหมวกหูสองข้างเป็นที่สุดพระก็จะเสียโอกาสหน่อยเอแต่ถ้ายมยงผู้หญิงนี่โชคดีมากจําไว้ที่มีผมยาวๆมันจะได้พิจารณาตั้งแต่ปลายผมเข้าไปจนถึงรากผมแล้วผมนี่เรารู้จริงเส้นเดียวทาให้เรารู้ทั้งหัว ถ้ามันยังไม่รู้นะเอามือไปจับเลยจับมาขึ้นมาเส้นหนึ่งเออจับมาดูด้วยเอ๊ะใช่หรอว่าผมเราสีดำเอสีนี้ใช่เหรอศึกษาเข้าไปศึกษาเข้าไปขนก็คือสิ่งเป็นเส้นเส้นขึ้นทั่วสัพพางกายเว้นขวามือขว่าเท้ามีความไม่แตกต่างไปจากผมก็เป็นไงล่ะ เกิดอยู่ในผิวหนังใช่ไหมก็ชุ่มแช่หมกมุ่นอยู่กับสิ่งโสกโปรกโสโครกอย่างเดิมเล็บเนี่ยเนี่ยดูดิดูไม่ได้เลยเนี่ยกระดูกเป็นซิไออันนี้เป็นเก็ดเ็ดใช่หเป็นเกล็ดกลหอกอยู่ตามปลายนิ้วมือนิ้วเท้าเนี่ยดูดิ รากโคนเล็บมันแช่อยู่กับน้ำเหลืองน้ำเลือดเหมือนกันแล้วพอมันหมกอยู่กับสิ่งสุกปรกมันก็จะคายสิ่งสุกปรลกนั้นออกมาอ่ะเราเรียกมันว่าอะไร <c ười> ขี้เล็ บ, <c ười> ลบชอบไหม <c ười> <c ười> เวลาเราบอกว่าเรารักคนนั้นเรารักคนนี้รักจังเลยแล้วขี้เล็บมันรักไหม <c ười> <c ười> อ้าวทำไมอ่ะก็ขี้เล็บอยู่ที่มันรักด้วยสิ เพราะมันเป็นธรรมชาติที่มีความสุกปรกปฏิกูลโสโครกอยู่ใช่ป่ะล้วก็ต้องชราระช้าลางนี่ยพิจารณาไปก็อย่างเนี้่เล็บควันกระดูกเป็นซี่ๆงอกที่คางเบื้องล่างเบื้องบนเนี่ยสําหรับจะให้บดเคี้ยวอาหารดูรากควันหอกมาจากกระดูกข้างในใช่ไหมเออถูกกันนั่นเลี้ยงอยู่เราปล่อยไว้เฉยๆโดยไม่ต้องไปเคี้ยวอะไรเนี่ยแค่นําลายออกมากวกลวกลวกลว ก, กลว ก, ก, ลว ก, กล อ, ยอยู่ มันก็สกรปรกแล้วใช่ปะ่ะแล้วเราว่ามันไงเสียสี่ห้าหมื่นทิ้งของกัรธรรมาก็ไปมันหลายทีแล้วแต่ตั้งแต่หน้ากา ก, ากนี่ดีมากเลยหน้ากากนี่วันนั้นไปนี่มนที่หนึ่งก็ต้องใส่หน้ากากลืมใส่ควันปลอมเนี่ยนี่ที่นี้ปลอม ลืมใส่กันปลอมโอ้โหปกติต้องให้ขับรถกลับมาเอาใช่ไหม น, นี้ไม่ต้องเพราะเราใส่หน้ากาก <c oughs> เราใส่หน้ากากไม่ต้องกลับไปโลด <c oughs> อย่าไปถอดมันก็แล้วกันอ้าวฟันมันสะอาดไหมละ่ะมันสกปรกหรอ หนังโอ้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยหนังนี่เป็นชั้นชั้นหนังกำพร้าบางขนาดไหนได้ไหมรูกไม่ถึงครึ่งมิลนะไอ้ที่เราบอกว่าสวยสวยสวยหนังกำพร้าท่าไหร่พอลึกใต้ชั้นผิวของกำพร้านั้นลงไปมไีอะไรเหลืองน้ำเลือดมันข้นไอ้น้ามันเลมันเปลวมันเปลวพังปืดเนื้อ ไขมันเอ็นอยู่ลวงลองดูดูลองลองจับตรงนี้ปับ๊บแล้วก็ดูให้ลึกลงไปมันน่ารักตรงไหนะมีไหมนี่คือวิชาที่พระพุทธเจ้าต้องให้เราเรียนเนี่ยแค่ผมขนได้ขนหนังหน้าอย่างเนี้ยที่ ด, ดูสิ เนื้อเป็นก้อนๆเป็นริมๆข้างในเนี่ยอยู่ตามเนี้ยเนี้ยของทุกคนมีหมดในเนื้อเนื้อก็ถูกเส้นเอ็นมันร้อยรัดรึงไว้เนื้อเสร็จแล้วอะไรลงไปอีกเอ็นเห็นไหมเส้นเอ็นเนี่ยก็จะเอ็นใหญ่ห้าร้ยเอ็นน้อยห้าพันาหรับรัดรึงกล้ามเนื้อและกระดูก ให้มันอยู่เป็นรูปคาวโครงต่อไปก็คือกระดูกโอ้ยเป็นท่อนท่อนชิ้นชิ้นเนี่ยเนี่ยงไก็เป็นกระดูกทัไ น, นี่ก็เป็นกระดูก ค, คือถือจะมองปั๊บเนี่ยเลาะเนื้อหนังออกง่ายหมดให้เหลือแต่ส่วนที่แข็งแข็งนั่นก็คืออะไรกระดูกลหละหน้าใครเป็นหน้าใครก็ไม่รู้ หน้าใครเป็นหน้าใครก็ไม่รู้แล้วนั่นก็คือกระดูกนั่นคือความเป็นจริงของมันที่ให้ดูไม่ใช่ว่าอะไรดูว่ามันเกิดความรู้สึกอย่างไรถ้ามันมองจะเห็นคนที่เป็นแต่กระดูกกระดูกเนี่ยมันจะมีไหมคดีกมขืนน่ะถ้ามีมันก็บ้าแล้วเพราะพ อ, พอมองไปถึงพระเจ้าบอกสุภานุ ป, ปสิงวิหันตัง อินทรีย์เยซูสังหูตังว่าคนต้องพิจารณาตามเห็นซึ่งความไม่งามให้เป็นปกติอยู่การพิจารณาเห็นความไม่งามนี่คือความจริงนะเอให้เป็นปกติอยู่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองอินทรีย์เยซูสุสังหูตังให้ควบคุมอินทรีย์ควบคุมการแสดงออกทำสองอย่างนี้ เรียกว่าได้ห้าจากนั้นโพชนำหิจะมัดตันยุงคือรู้จักประมาณคือควบคุมการบริโภคอาหารทุกอย่างะคือให้มันอยู่ในความพอดีของมันดีอีกอันหนึ่งมีเริ่มต้นปรารบความเพียรอารัฐวีริยังคือเริ่มต้นฟารบความเพียรได้สี่อย่างนี้เนี่ย เรียกว่าได้ร้อยร้อยอะไรมานจะรังควานไม่ได้มานในที่นี้คือมานในที่นี้คือกิเลสมานในเบื้องต้นเรียกว่านิวรณูกิเลสที่มันเข้ามาเพ่นพ่านอยู่ตอนนี้ในจิตใจของเราจิตใจของเราที่เศร้าหมองขุ่นมัวด้วยการทางานของนิวรณูกิเลสคือนิวร น, นั่นเอง เขาเกิดขึ้นไม่ใช่เกิดทําไมเกิดขึ้นเพื่อมาขวางกั้นไม่ให้จิตของเราทรงตัวอยู่กับความรู้ตามความเป็นจริงขวางกั้นไม่ให้จิตเราเกิดสภาวะที่ชื่ออเบขาขวางกั้นไม่ให้จิตเราเข้าไปสู่ความดีใดๆไ ด, ไ ด, ไ ด, ไ ด, ได้คือตัวนิวรมันไม่ใช่ปรากฏเฉพาะตอนเราตั่งสมาธิเด้ในสภาพจิตปกติ ตัวที่มาเป็นมารของชีวิตคือนิวร์จำไหมอำนาจของจิตที่มันเทเข้าไปสู่สิ่งที่ชอบสมำเสมอรปรารถนาในสิ่งที่ชอบเรียกว่ากามฉันทะหลายด้านหลายเรื่องหลายราวแม้กระทั่งต่อคนต่อสิ่งของต่อทรัพย์สินต่อเงินทองต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีกรมฉันทะเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดความอากติ เอียงเอ็นและก็มุ่งมั่นคาดหมายถือมั่นตามอำนาจของกรรมฉันและอกุศลใดๆที่เกิดขึ้นไม่แคร์ขอให้ได้นั่นมีความพอใจเป็นอำนาจในการเคลื่อนไหวชีวิตคิดดูดิแค่ตัวนี้ตัวเดียวมหาสารแล้วแต่ถ้าถ้าเรา อสุภานุปสิงวิหารต่างคืออยู่ปกติกับความพิจาจรณาเห็นถึงความไม่งามของตัวเราอันนี้เรียกว่าอยู่กับตัวเรานี่แหละนี่แหละตัวเราเห็นถึงความเป็นจริงในตัวของเราว่ามันไม่ใช่สิ่งสวยสดงดงามไม่ใช่สิ่งที่น่ารักน่าใครแต่มันมีความเป็นจริงอย่างนี้ไม่ใช่เราสมมติ <c oughs> ค, ำคำว่าเป็นจริงคำว่าเป็นจริงคือไม่ใช่เราสมมุติว่ามันสกปรกสกปรกนะคำว่าเป็นจริงคือมันเป็นอยู่อย่างนั้นเราเพียงแค่เข้าไปรู้ตามความเป็นจริงนั้นการรู้ตามความเป็นจริงนั้นจิตเราจะคลายตัวออกมาจากกรรมฉันแล้วมันเป็นเรื่องที่เราสังเกตถ้าเราเราภาวนาเนี่ยอัตตาเราจะยิ่งเยอะ เขาบอกอ่เมื่อก่อนผมไม่ได้นั่งสมาธิพอผมนั่งสมาธินั่งไปนั่งไปทำไมผมโกรธง่ายมากเอ้ยพอนั่งสมาธิแล้วมันรู้สึกว่าโกรธง่ายมากว่าเรื่องที่ไม่เคยเครียดมาเครีคยดขึ้นวะเฮ้ยมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นอะไรเพราะมันอยู่ในอำนาจของกรรมฉัน อยู่ในอำนาจของพยาบาทอยู่ในอำนาจของถีนมิทะอยู่ในอำนาจของอุทจากุกุจจะมันการที่เราจะต้องเรียนวิชาที่เรียกว่านักเลงภาวนาต้องมีนี้เพื่อให้เข้าไปสู่รายละเอียดเหมือนเราซักเสื้อผ้ามันมีสิ่งสกปรกทั้ง ดวงใหญ่ดวงกลางดวงหนาดวงบางดวงละเอียดใช่ไหมแต่เราสัก ส, กสกัเราใส่เดี๋ยวเราใส่ข้าวเครื่องปันป่นปั่นออกมาครั้งแรกมันไม่สะอาดปั่นใหม่ปันป่นจนมันสะอาดเร า, เราจึงมาใส่เราไม่ได้รู้เลยว่ามันมาสะอาดได้ยังไงไม่รู้หรอกอันนี้ก็เหมือนกันเราจะกำจัดอกุศลให้จิตมันสะอาดบริสุทธิ์ตั้งมั่นด้วยกุศล เราจะต้องทำยังไงอยู่ๆมันบอกว่ยฉันจะเลิกทำความชั่วแล้วมันไม่ได้คนที่มันมีความละอายในการที่จะทำความชั่วนั้นมันคือคนที่ฝึกฝนใจมาตลอดต่อเนื่องนี่เราก็สังเกตว่าไอ้คนที่มานั่งที่นี่เนี่ยมานั่งที่นี่เนี่ยมันไม่ใช่เดินผ่านแค่เดินผ่านแล้วลมเพลลมพัดเข้ามานะ เพราะผ่านการฝึกฝนมาหลายครั้งหลายคราเห็น ไ, ไหมใจมันเอาเออใจมันออนนี่เรียงได้ว่าเพราะว่าใจมันเอาเนี่ยคือใจมันต่อสู้กับนิวรณ์มาในชีวิตประจำวันเพราะวันอาทิตย์ปกติมันมีรายการที่ใจมันชอบช็อปปิง้งนัดเตือนสวนเสนเฮงาดูหนังดูละครใช่ไหม ตังกวนกันเยอะแยะมากมายเรื่องที่จะนิวรนชอบแต่เราตัดสินใจมาที่นี่นั่นหมายความว่าเราฮึดสู้กับมันเพราะเราฮึดสู้กับเขาเรารู้ว่าเราปล่อยให้นิวรนมีอานาจชีวิตเราจะเป็นยังไงป่นปีแน่นอนเราก็ต้องฮึดสู้กับเขาจำไว้เลยเราจะเป็นอะไรก็ได้ที่ให้ดีตามฐานะนั้นๆ ถ้าจะเป็นให้ดีต้องฮึดสู้นิวรนเป็นหมอที่ดีต้องสู้กับนิวรนไหม Turns, อ่ะต้องสู้เป็นพยาบาลที่ดีต้องสู้ไหมเป็นครูที่ดีต้องสู้กับนิวรนไหมต้องสู้เป็นสามีที่ดีสู้กับนิวรนไหมสู้ไอนี่เป็นเท่าแก่มีเงินมีทองเยอะแยะจะเป็นสามีที่ดีได้ต้องสู้กับนิวรนนะเพราะว่ามันยังมีอยู่อีกเยอะนะ <l acht> อา้าใช่ไหมเป็นภรรยาที่ดีต้องสู้กับดิวอลไหมในฐานะที่เป็นภรรยาต้องสู้กับดิวอลไหมโอ้เยอะมากจะปล่อยให้สามีระเหกระเหินทําตื่นเช้าขึ้นมาไอ้สามีจะกินกาแฟเนี่ยไล่ไปชงเองอะไรก็ไล่ไปทําเองอะไรไล่ไปทําเองหน้าที่ภรรยาหายหมดเพราะอะไรเพราะตนเองอยู่กับความพอใจมีพอความพอใจเป็นอํานาจ มันทำลายหมดทุกหน้าที่จะเป็นแม่ที่ดีต้องสู้กับนิวรณ์ไหมจะเป็นลูกที่ดีต้องสู้กับนิวรณ์ไหมเออจะเป็นพี่ที่ดีเพื่อนที่ดีหัวหน้าที่ดีลูกน้องที่ดีทุกคนเป็นพระที่ดีเป็นอะไรที่ดีที่ดีอะไรก็ได้ที่จะให้มันดีในชีวิตนี้ต้องฮึดสู้กับนิวรณ์อืมมันเราจะต้องให้จิตของเราเนี่ยมีประสบการณ์ในการ ฮึดสู้กับนิวรณ์การอบรมจิตภาวนาเบื้องต้นนั้นเราได้ตรงเนี้ยได้ตรงนี้เด็กสมัยปัจจุบันมันอยู่กับเทคโนโลยีอยู่กับการเรียนรู้แบบใหม่ๆสังเกตดูสิกระทบไม่ได้เก่งเรียนจําแม่นเรียนได้เก่งเกรดดีๆแต่กระทบไม่ได้กระทบนิดเดียวไม่ได้เพราะอะไรเพราะนิวรณ์มีอํานาจ นิอนมีอำนาจนี้เราจึงต้องเพิ่มศักยภาพในฐานะนักเนภาวนา<ม>นักปฏิบัติอย่างพวกเราให้ทุกคนเรียนอาการสามสบสองจำไห้ได้ทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยให้ขึ้นใจให้หําเพลงเลยแลละเดินว่างๆไปตรงไหนตรงไหนก็เกสาโลมนานคดันตาตาโจ พอเราเรียนท่องจำได้และเราพิจารณาไปเรื่อยๆเมื่อใดที่เราท่องเกษาจิตเรามันจะไปไหนมันอยู่กับอะไรจิตจะอยู่กับอะไรอยู่กับตัวเองแล้วโลมาขนมันวิ่งไปที่ขนจิตอยู่กับอะไรตัวเองแลนักขาเล็บพบพงกับว่าเล็บจิตเราไปที่เล็บของเรามันอยู่กับอะไรนี่ มันแยกย่อยรายละเอียดของคำว่าตัวเราออกไปและการพิจาจรณาจำและพิจาจรณาอย่างนี้มันเป็นเส้นทางของสัมโพธิมุตนะเบื้องต้นที่เราจะได้ดีทุกฐานะเนี่ยอย่างนี้ว่ามันฮึดสู่กับนิวรเลยเ <f oon> มื่อก่อนเราโกรธคนคนหนึ่ง พอเรามาพิจารณาเรื่องนี้เราเห็นผมขนเล็บควันหนังของเราตัวเราทั้งตัวเป็นอย่างนี้และของคนคนนั้นน่ะคนที่เราโกรธเราเกลียด อ, อ, อ่ะฮะเหมือนกันไหมเหมือนกันเห <laughs> <laughs> มือนกันเป๊ะเลยใช่ไ ม, มไม่มีแตกต่างเลยความโกรธของเราจะเป็นยังไงอะ่ะเราไปโกรธอะไร เราไปโกรธไอ้เส้นผมโสโครกเราไปโกรธไอ้หนังเฉวโครกเราไปโกรธไอ้กระดูกที่โสโครกเราไปโกรธไอ้ไอ้ผมขนเล็บขนหนังนี่หรอเออเราก็จะคลายตัวออกมาได้เพราะฉั้นเบื้องต้นมันจะฮึดชู้กับนิวรณ์ฮึดชู้กับนิวรณ์เพราะพระพุทธเจ้าท่านว่ามานตังเวนัปปะสะติมาโรวาโต ตังเวนัปะสังหติมาโรวาโตเซลังวปะปะปังมานคือความชั่วร้ายความเลวร้ายความชั่วทั้งปวงเนี่ยจะรังควานเราไม่ได้วาโตเซลังวปะปะปังเหมือนลมที่มันค้นภูเขาศิลาทึกไม่ได้ภูเขาศิลาเลยแข็งๆนะลมมันกระทบไม่ได้ นี่พระพิจาบอกว่าให้เราอสศุพานุปัสสิงอยู่กับอารมณ์อันไม่งามคือความเป็นจริงของกายของของกายของเรานี้ได้เพราะฉะนั้นให้พวกเราท่องอาการสาสบสองเรียนอาการสาสบสองแล้วเราไปที่ไหนเราไม่ต้องกลัวเลยแต่เดิมเราไปไหนเราก็ต้องเอาหูฟังมาเสียบใช่ไหมเปิดคาราโอเกะแล้วก็ฮัมไปเรื่อยลูกทุ่งมั่งลูกกรุงมั่ง s t r e t มั่ง สากลมั่งหาเจ็บแต่ต่อไปนี่ไม่ต้องเลยเดินไปทำบุบบับยิงปปปปปป่งใส่หน้ากากนี่สบายไม่มีใครรู้ใส่นากากที่สบายไม่มีกันเลยรู้ <S <S ผมคนเล็บฟันอั่งเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับฟังผื่ไตปอดใช้ใหญ่ใช้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าพอตรงไหนสงสัยก็หยุดเอ๊ะอาหารใหม่มันคืออะไรวะ อา้าดูเข้าไปในรายละเอียดอาหารใหม่อ๋อที่เพิ่งกินเข้าไปนี่เองผ่านการกลืนจากลำคอเข้าทางหลอดอาหารตกอยู่ในกระเพาะที่กระเพาะมันกําลังย่อ ย, อยอยู่นี่แหละอาหารใหม่แล้วก็นึกเข้าไปสิเมื่ อ, อกีดอก้ดรกินอะไรเข้าไปบ้างอาหารใหม่ตอนนี้กําลังถูกกระเพาะบิดขยี้อยู่เนี่ยบทก็ย่อยอยู่เนี่ยต้องนึงกเข้าไปดิอาหารใหม่อาหารเก่าอะไรวะอาหารเก่าอาหารเก่าคือที่มันย่อยแล้ว เดินทางผ่านจากลำไส้เข้าไปใช่ไหมพร้อมที่จะไหลออกจากอันนั้นเราเรียกอาหารเก่าพร้อมที่จะจากเราไปอ๋อแล้วก็ท่องได้เรียนได้สาธยายทําความเข้าใจเกิดความรู้เยอะแยะมากมายและจิตเราไปไหนไม่ไปไหนเลยมันอยู่กับอะไรอยู่กับตัวเรานี่เป็นบุรีบทของความรู้จากตัวเอง ที่ชาญฉลาดของพระเจ้าเรียกพุทธบนเป็นเคล็ดวิชาที่ขวากให้พวกท่านไปเรียนจำศึกษาให้เข้าใจแล้วจิตมันจะหดตัวเข้าใจสภาพจิตที่หดตัวไหมทีนี้มันจะเห็นอะไรพอพูดถึงว่ากายนี้เหมือนหมูนอนถูกช้อนใยนึกภาพออกไหม อ่ะกายนี้เป็นรังของโรคมันทราบซึ้งไหมถ้าเราไม่ได้รู้เรื่องเรื่รรองเพวกนี้ไม่ได้เรียนมนบทนี้ไม่ได้เข้าใจเรื่องผมขนเล็บข น, นหนังสภาพความเป็นจริงของมันเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรเราไม่รู้เพราะเราได้ยินว่ากายนี้เป็นรังของโรคซึ่งอัตมาบอกบ่อยเ ร, เรารู้สึกย e ังไงเฉย e เฉยอะแต่พอเรารู้เรื่องเหล่านี้ทั้งหมดแล้วว่ามันเป็นอย่างไรตั้งอยู่อย่างไรสีสันฐานรูปร่างลักษณะขอบเขตเป็นอย่างไรเลยเนี่ยพระบอกว่า ร่างกายนี้เป็นรังของโรคไม่ใช่อย่างอื่นแค่เป็นรังของโรคโรคเป็นหมื่นหมื่นชนิดพร้อมที่จะเกิดในร่างกายของเรานี้ร่างกายเราจึงเป็นรังของโรคการที่มันจะเกิดโรคขึ้นมาสักอย่างใดอย่างหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องแปลกไอเนี้ยมันเป็นรังของโรคความรู้สึกมันจะเข้าใจลึกลงไปจะทราบซึ้งเข้าไปอีกกว่าการที่เราไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลย แล้วมันรู้อย่างนี้แล้วยังเป็นยังไงความรู้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันจะกระตุ้นศรัทธาความเชื่อของเราในพระพุทธเจ้าใช่ไหมนี่เป็นวิชาของพระพุทธเจ้าพกศรัทธาของเราที่กระตุ้นถูกปลุกถูกกระตุ้นขึ้นมาให้มันเชื่อในพระพุทธเจ้าแล้วจิตเรามันจะไปไหนมันจะน้อมเข้าไปเพื่อการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนอันนี้สําคัญมากเลยสําคัญที่สุด ถ้าจิตมันไม่น้อมก็ไปปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนมันจะเกิดผลอะไรมันไม่จะได้หวังที่จะได้เหมือนทุกคนปรารถนาความสุขสุขที่แท้จริงมีอยู่พระพุทธเจ้าสอนแล้วแต่เราไม่ปฏิบัติสร้างเหตุแห่งความสุขอันแท้จริงเราจะได้สุขที่แท้จริงไม่ได้ฉั้นเราปรารถนาความสุขทุกคนปรารถนาความสุขทำทั้งเป็นจะเป็นจะตายตื่นเช้าขึ้นมาตั้งแต่ตื่นนอนจนยันหลับไปอีก ในระหว่างวันนั้นปรารถนาความสุขทําทุกอย่างเพื่อความสุขแต่มันไม่ได้ไอสิ่งไหนที่เราเข้าใจว่าสุขสุมันทุกทุกตัวเลยอ่ะในสุขจริงมันมีอยู่มันพอเราเชื่อพระพุทธเจ้าจิตน้อมเข้าไปเพื่อการศึกษาและปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแสงสว่างแห่งความสุขมันก็จะชาดสายเข้ามาสู่จิตของเราเราก็จะยิ่งเพิ่มความเชื่อเข้าไปอีก นั่นเรียกว่าคนที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดสภาวะคือผลของการปฏิบัติที่ปรากฏจะทำให้จิตนี้มั่นคงแน่วแน่กับพระพุทธเจ้าด้วยกันทั้งหมดเลยที่เรากล่าวว่านัตทีเบสนังอันยังพระพุทธเจ้าไม่ได้จัดนะนัตทเบสนังอันยังพุทโธเบสนั ง, งวรังพระพเจ้าไม่ได้จัด แต่คนที่มันปฏิบัติตามคำสวนของพระพุทธเจ้าแล้วได้รับแสงแห่งความสุขซึ่งเป็นผลของการปฏิบัตินั้นจัดกล่าวพูดกล่าวกันมาคําว่านาติเบสร่งงางันยังคําว่าอะไรอะต่างๆที่เป็นคําสรรเสริญพระผู้เจ้ามันไม่ใช่เขาแต่งขึ้นมาสรรเสริญเฉยเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะนั้นเราก็ต้องเอาจริงเอาจังกันแต่ให้มันเป็นเป็นจริงจังที่เป็นลักษณะ เรียกว่าของพวกเราเนี่ยรุ่นนี้วันนี้สี่สิบกว่าคนเอ๊ะถึงกี่คนไม่รู้ว่าไปไหนมาไหนให้ทำเป็นพกเล็กๆบทพุทธมนต์อาการสามสองทั้งภาคไทยและไอ้ทั้งบาลีและไทยว่างๆก็หยิบมันขึ้นมาท่องทีละห้าคำเกสาโลมาณขาดันตาตาโจเกสาโลมาณขาดันตาตาโจห้าคำ เอาไปก่อนให้ได้พอเสร็จแล้วกค่อยต่อค่อยต่อมังสังนารูอัติอัติมินยังวักกัง Jam. ค่อยต่อไปต่อไปต่อไปพอ <c oughs> ได้เสร็จแล้ว ค, <c oughs> ค่อยค <t une> ท่องภาษาไทยนัมน่มันมันมัเป็นอะไรที่เป็นศิลปะด้วยและจะมีอะไรที่แบบเกิดดีๆขึ้นเยอะกับการเรียนมนุษย์นี้ไม่งั้นฝากพวกเราไว้ นี่เป็นพุทธมนต์นะเป็นเคล็ดวิชาเหมือนเราไปเรียนวิทยายุทธ์ในสำนักต่างๆวิชาของแต่ละสำนักมันก็มีเคล็ดวิชาเคล็ดไหมคว้าเยกัมพรีนบพระเก่าอ่าใช่ไหมมันก็มีเคล็ดวิชาของมันนี่ก็เหมือนกันขนาดคนที่ปรารถนาจะจะเอาชนะพระพุทธเจ้า อย่างหลวงตาวังหลวงตาวังเคยได้ยินไมไม่เคยได้ยินเนี่ยหลวงตาวังนี่เป็นนักพยากรณ์เคาะกะโหลกถ้าใครตายก็เคาะต๊กตั ก, ตกอไอ้นี่ไปนรกเอาเคาะตักตกนี่ไปสวรรค์เคาะตักตกขออภัยนะที่นิ้วมันปาดปาดไม่ได้ไปชี้พวกคนนิ้วไปตรงใครก็ไม่ใช่หมายถึงคนนั้นน ะ, ะคือนี่มั น, ม, น, ม, นมันไปมันประกอบเป็นลีลาท่าทางเคาะป๊อก เดรัจฉานก็ป๊อกป๊อกเบ็ดแล้วคนนับถือมากเพราะอะไรเพราะว่าคนมันมีคนอันเป็นที่รักไงอ่สามีมีภรรยาเป็นที่รักภรรยาตายอยโอ๊ยเศร้าโศกเสียใจมากพอหลวงเตาไอไอาจา ร, รย์วังมาถึงก็เอา้าแล้วลูกศิษย์ก็ประโคมตีค้องประโคมรนตีร้องเปล่าโฆษณา ขณะนี้อาจารย์วังมาแล้วใครที่มีความทุกข์ระลึกถึงคนที่รักที่จากไปอยากให้อาจารย์วังชี้แนะก็มาได้มาแล้เหมือนเดี๋ยวนี้เห็นไหมเดี๋ยวนี้น้องชมพู่ตายน้องชมพู่เด็กคนหนึ่งที่มันเสียชีวิตอยู่ที่จังหวัดบุกดังฮารนักวิชาการตํารวจแต่อะไรไม่มีใครมาพูดเลยไอ้ที่มาเนี่ย พ, พวกอาจารย์วังทั้งนั้นใช่ไหม อ้ตาเขาเรียวาตาบอดจูงตาใสอันนี้ก็มาแล้วคนมาได้ยินปับ๊บโอ้ยแม่แม่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้ว mm hmm. บ้านนี้แม่อยู่ที่ไหนนะความรักมันทําให้ให้เขาจะเคาะปักปักอ๋อยู่ที่โน่นเนี่ยแล้วต้องทํำยังไงอ่ะต้องทําบุญอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็สังเกตว่ะพวกของอาจารย์วังอะจะมีพิธีการทําอย่างนั้นทําอย่างนั้นทําอย่างนั้นทําอย่างนั้นเปิดป่ามั้งอะไรมัง้งเยอะแยะไปหมดทีนี้เหมือนกัน เสร็จแล้วผ่านวัดที่พระพุทธเจ้าประทับเย็นวันนั้นในเมืองสาวัตถีนี่เมื่อกี้มีบอกมีคนเจ็ดโกดใช่ไหมเจ็ดโกดคือเจ็ดสิบล้านนี่ห้าโกดเป็นอริยะนะห้าโกดนะเป็นอริยบุคคลอนะี้ก็มถ้ามันไม่เป็นอย่า ง, ง น, นั้นน่วก็เป็นความ อะไรนะเป็นสมภ า, าพขอาภูมิของพระรู้เจ้าอยู่ที่นั่นถึงสิบเกปีห้าโกรธเป็นอริยระเพราะฉะนั้นพวกอริยะเนี่ยพอตกเย็นก็ทําไงทูบด อ, อกไม้ทูบเทียนไปวัดแล้วเช้าก็ไปวัดเย็นก็ไปวัดเช้าก็ไปวัดเย็นก็ไปวัดไปถือดอกไม้ก็ไ ป, ไปเป็นแทวผ่านอาจารย์วังสิทีนี้อาจารย์วังมาอยู่ใกล้กับวัดประเชตวันเลย วนนี้นิารนี่ยผ่าอาจารย์วังอาจารย์วังถามเฮ้ hey, พวกนี้ไปไหนกันนะ่ะอ๋อไปหาพระสมณโคโดมไปควังเทศควงังธรรมจากพระสมณโคโดมพวกลูกศิษย์ก็บอกโอ๊ยจะไปทําไมก็สังเกตเนี่ยเป็นข้อหนึ่งนะในปัจจุบันก็ยังมีนะถ้าเป็นลูกศิษย์สํานักนี้แล้วกเอาแต่อาจารย์ตัวเองของเราไม่มีนะไม่เอาแบบนั้นลูกศิษย์สำนักนี้เอาแต่อาจารย์ตัวเองแล้วก็ด่าสานักอื่น ลูกศิษย์ันักโน้นก็เหมือนกันเอาแต่อาจารย์ตัวเองนน ก, ก็ด่าสำนักอื่นอย่างนั้นไม่ได้ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้าไม่เอกไม่ด่าใครทุกคนต้องการความพ้นทุกข์เหมือนกันหมดนะทําก็ไปเถอะอันนี้ก็เหมือนกันลูกศิษย์บอกเฮ้ยไปทำไมพระสมณะโคตรมนีอาจารย์วังอยู่นี่อาจารย์วังผู้รู้จริงพระอริยมันจะสนใจไหมเราไปทุกเทียนเราหันไป ม, มองอ๋ออาจารย์วังผรู้จริงอ๋อเราไปหาใคร อาผู้เจ้าไอ้พวกลูกศิษย์ก็บวกโอ้อาจารย์ไม่มีใครมาสนใจแล้วทํำยังไงเดีอาจารย์บอกเข้าไปดูสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวพวกเจ้าอยู่นี่นะสั่งลูกศิษย์ตั้งประรำพิธีอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเราจะไปดูซิจะกระชากหน้ากากพระสมณนะโคโดมออกมาให้ได้ตั้งใจไปอย่างนั้นเลยนะพราะเก่งอะ ก็เข้าไปน่นเสร็จอหวางเสร็จประกาศตนเองว่าตนเองเป็นอาจารย์วังชื่อเต็มเต็มวังคีศะนะไงแต่มาเรียกว่าอาจารย์วังอาจารย์วัง<笑><笑>พอไปถึงพระเจ้าคนพระเจ้าที่ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเกวไม่เข้าใจกเพราะเก ต, ต่อการชนะทีนี้พระพุทธเจ้าถามว่ามีความเชี่ยวชาญอะไร ก็รู้ว่าอาจารย์วังมีกเชี่ยวชาญในการเคาะกะโหลกและพยากรณก็ให้เอากะโหลกมาห้ากะโหลกจับกะโหลกที่หนึ่งให้เคาะและพยากรณ์อาจารย์วังเคาะตักตกต ก, ตกโอ้โหนี่ไปเดีรชานพระพุทธเจ้านิ่งพระพุทธเจ้าจะไม่ตรัสคําใดๆอันเป็นโทษต่อมักและผลทำไมอะไรคําไหนที่เป็นประโยชน์ต่อมักและผลของคนนั้นแม้จะต้องเกิดอะไรขึ้นก็ตาม โปร่งจัดตรัสเพราะหน้าที่พระเจ้าหรือขนสัตว์ออกจากกองทุกนี่พอถตรัสไปพระเจ้านิ่งถ้าพระเจ้าบอกว่าเฮ้ยผิดเป็นไงมันต้องเถียงกันเรื่องตรงนี้แล้วว่าฉันถูกเถียงกันเรื่องของผิดหรือถูกแต่พอพระพุทธเจ้านิ่งเหมือนกับพระพุทธเจ้ายอมรับแต่เราก็ไม่รู้ว่าพระเจ้ายอมรับยุ่งไม่พระเจ้านิ่งอันนี้ไปในฉันเอาเคาะหัวกะโลกใหมมาดิตกต ดูพิจารณาดูนี่ไปนรกรก็ก๊อกก๊ก น, นี่ไปเปรตก็ก๊อกก๊อกนี่ไปสวรรค์ออกกระโหลกสุดท้ายมาสีไม่เหมือนใครอะไรก็ไม่เหมือนเพื่อน เ, เสียงก็ดังผิดปกติถ่ายไม่ถูกว่าไปไหนกระโหลกนี่ alan. จากการที่แกถ่ายหัวที่ห้ า, ากะโหลกที่5้าไม่ถูกเนี่ย ทำให้เรารู้ว่าอาจารย์วังไม่ใช่มูเมททำตามหลักวิชาแต่หลักวิชาของอาจารย์วังไม่ได้บรรจุในการพยากรณ์กระโหลกประเภทที่ห้านี้ไว้เลยถ่ายไม่ได้ก็เลยบอกว่าอืมอันนี้ทไมข้าพเจ้าถึงไม่รู้นะมันต้องใช้บนอะไรเนี่ยพระเจ้าบอกว่าเธอไม่รู้เรอะบอกไม่รู้เออเรารู้ ไอ้ว hey, ังอาจารย์ว hmm ังแกก็ว่ารู guide, ้ได้ยังไงพระเจ้าค่ะเรารู้ได้ด้วยมวลของเราท่านได้ปรดรัตธรมนากดมเมตตาสอนข้าพระเจ้าหน่อยเราจะไม่สอนคนที่ไม่บวชเพราะพระเจ้ารู้ว่าบางกีสาแก็เป็นคนเรียกว่าอุชุภูตธาตุคือว่าไม่ใช่หลอกลวงแต่เป็นคนที่ตรงต่อหลักวิชาเหมือนหมอตัว โมดูเนีเดือนนี้มีสองประเภทนะอุชุภูตธาตุคือว่าเรียนหลักวิชาคำพีต่างๆและก็พยากรณ์ทํานายไปตามหลักวิชานั้นไม่โมเมยกเบกไม่เดาอะไรที่รู้ตามหลักวิชาก็ว่าไปอะไรที่ไม่รู้ก็ไม่พูดแล้วก็อะไรที่พูดไปแล้วผิดก็ไม่เป็นไรกล้าพอที่จะยอมรับว่ามันผิดในพวกนี้อูชุภูตธาตุเหมือนอาจารย์วังเนี่นยพระเจ้าก็เลยบอกอาจารย์วังก็โอ้ใช่ไหมฮันหม่อมฉันจะบวชพระเจ้าก็เดินออกจากวัด กราบลาพี่บอกว่าเป็นสั่งเลยพวกเองตั้งเข็มรออยู่ตรงนี้นะสามวันเดี๋ยวฉันจะบวชเรียนจบบนบทนี้แล้วฉันจะเป็นหนึ่งในใต้ล่าเลยไปถึงก็ไปถึงก็ก้าไปถึงหาพระเจ้าเสร็จบวชบวชเสร็จวันนึงพระเจ้าก็เฉยไม่ได้ศรัทธานี่ใช่ไหมวันหนึ่งพระเจ้าก็เฉยอ่าทำไงวะจนวันที่สมวิ่งเข้าไปหาพระเจ้า ในพระบ่งบอกว่าจะสอนมนุษ์ให้ครับพระองค์สอนได้นะพระเจ้าก็สอนนะอ้าวตั้งใจฟังเน๊ออิติมัสมิงกาเยเกสาโลมานักกาดันตาตาโจมังจังนาฮโรอิติอิติมิยังวักกังโอ้โหคืออากาศสามสองท่องให้จบนะและกลับหน้ากลับหลังคือทั้งอนุโลมปาติโลมเช่นว่าผมขนเล็บกว่าหนังเดเกสาโลมานักกาดันตาตะโจ ตาโจโดันตาหน้ขาโล well, มาเกราเนี่ยตาเกศาโลมาหน้ขาดันตาตะโจนี่เป็นอนุโลม์ตะโจดันตาหน้ขาโลมาเกศานี่เป็นปาติลม์นะอาจารย์วังเขาได้อย <downloading, S 1> ่างนั้นก็ท่องท่องท่องท่องท่องท่อท่อท่อท่องวันที่สามผ่านไปอาจารย์วังสําเร็จเป็นพระรหันได้แล้วเพราะเมื่อจิตเข้าไปพักอยู่กับ ตัวเองมีความรู้ตัวอย่างถูกต้องจิตจะคลายตัวออกจากทุกทๆเรื่องตั้งอยู่กับอุเบกขาที่มีตัวรู้เป็นฐานของรู้รู้ที่มีอุเบกขาเป็นฐานมันจะมองทุกอย่างตามความเป็นจริงความเป็นจริงของสปปรรพสิ่งที่จิตรู้เห็นในขณะนั้นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีสิ่งใดๆเหลือให้เป็นอัตตาและเป็นสาระอยู่ในนั้น มันก็หลุดพ้นนะเพราะมันตัดขาดจากอุปทานทั้งปวงพออาจารย์วังสําเร็จเป็นพระราหันแล้วทีเนี้ยก็เดินไปหาลูกเสร็จเอออุย้ยอาจารย์มาแล้วอาจารย์อาจารย์ศึก ย, ยังอะ่ะจบยังอ่ะพวกเจ้ายางไปเถอะเราสําเร็จวิชาแล้วไปไม่ได้ <c oughs> อยู่กับผู้เจ้า น, <c oughs> นี่เป็นเป็นอะไร อ, ะ <c oughs> อ่ะ เป็นสิ่งที่ที่เกิดขึ้นจริงตามอำนาจของธรรมะจากเรื่องนี้เราจะเห็นได้ว่าไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเลยพระพุทธเจ้านี่ไม่สามารถที่จะยกให้ใครได้ไม่สามารถที่จะยกมรรคผลให้ใครได้บอกที่อย่างเดียวแต่พอก็ทำไปแล้วมันความศรัทธามาเกิดเราไม่ต้องพูดถึงศรัทธาชั้นพระโสดาบันนะ พูดถึงศรัทธาแค่ความเป็นปุตุชนศรัทธาที่คนที่เป็นปุตุชนถ้าเราไม่มีถ้าเรายิ่งปฏิบัติเราจะยิ่งห่างจากพระพุทธเจ้าปฏิบัติยิ่งห่างจากพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนหลวงพ่อบอกว่าให้ไปเรียนอาการสามสิบสองคนที่รักพระพุทธเจ้ามันต้องรีบเร่งขวนขวายหาแล้วถูกปะถูกไหมเองอะถูกไหม ก็คือท่านแล้วเพราะว่าเดือนหน้ามานี่จะถามทีละคนเลยคือพอเราศึกษาความรายละเอียดของอาการสาสองจะทําให้เราเข้าใจถึงความรู้ตัวของเราในส่วนของรายละเอียดนั้นแล้วมันจะไปสนับสนุนเอื้อกันนะพอเรารู้ลมหายใจไปได้ระยะหนึ่งออกจากลมหายใจลืมตาพิจารณา ลืมตาก็พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังลืมตาได้ที่นี้่กินกาแฟก็พิจารณาได้ทําอะไรก็พิจารณาได้ถ้าจิตมีประสบการณ์จากอยู่กับอารมณ์อันเดียวแล้วต้องให้มีประสบการณ์อยู่กับอารมณ์อันเดียวให้ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันพอนึกถึงผมปั๊บเนี่ยมันจะวิ่งเข้าไปที่เส้นผมปุ๊บปุ๊บ ป, บ ป, บปบุเพราะว่าเราฝึก บ, บ่อยๆฝึก บ, บ่อยๆจิตที่เราฝึก บ, บ่อยๆมันจะเกิดลักษณะสามประการอย่างที่เคยบอกอะ คืออวิสุทธิวิถุโธปาริสุทโธน่นนะเคยได้ยินไหมปาริสุทโธสมาฮิโตกรมมณีโญเคยได้ยินไหมปาริสุทโธบริสุทธ์นั่นคือคมอมืมีคุณภาพสมาฮิโตนั่นเป็นศักยภาพกรมมณีโยโญ คล่องแคล่วแกการใช้งานเป็นจิตที่มีสียราพามันมันว่องไวมากเมื่อรู้บ่อยๆเรารู้เส้นผมของเราบ่อยๆเนี่ยเช้าขึ้นมาก็ส่งจิตเข้าไปรู้เส้นผมมันเรกๆมันรู้ไม่ได้เราก็จับผมเรามาดูรู้สายๆหน่อยก็รู้มันอีกบ่ายก็รู้เย็นก็รู้วันหนึ่งรู้สักสี่ห้ารู้หนึ่งอะในเส้นผมเส้นเดียวกันทาอยู่บ่อยๆบ่อยๆสินี้มันจะเกิดความอะไร ชำนาญในการที่จะวะะุ่พอต่อไปเพเราเอ่ยถึงับว่าเกสามันไปแล้วปุ๊บจบรู้เลยนี่เราก็สา ม, มารถที่จะเอาสิ่งที่รู้นี่จับมาพิจารณาใหละเอียดเข้าไปสู่ความเป็นปฏิกูลทำลายร่างกายของเราแยกแยะออกไปเป็นชิน้นเป็นส่วนเป็นชั้นไปแล้วอเราพอพิจารณาเสร็จในปฏิกูเสร็จต่อไปเราจัดเข้าเป็นหมวดของธาตุอันนี้ก็ว่ากันเดือนต่อไปเอานี้ยให้ได้ก่อน จัดเป็นหมวดของธาตุอีกเพื่ออะไรเพื่อให้มันหลุดพ้นกันได้หมดนี่แต่เพื่อให้จิตเราฮึดสู้กับนิวรนเป็นเบื้องต้นก่อนถ้าเรามาปฏิบัติอย่างนี้ทำแบบนี้เราออกไปในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเรียกที่บอกว่านี่คือสนามฝึกใช่ไหมในชีวิตจริงเราเนี่ยคือสนามจริงอะทีเนี้ยเวลาเราไปประสบพบเจออะไรเนี่ย การฝึกฝนของเราที่มาฝึกฝนกันบ่อยๆเนี่ยมันจะได้ออกไปใช้ได้เพราะว่าอากูศลทั้งหลายเป็นพวกของนิวรณ์อากุศลทุกตัวเป็นพวกของนิวรณ์ถ้าเราขึดสู้กับนิวรณ์อกุศลจะเกิดน้อยส่วนกูศนจะเกิดมากเมื่อกูศลเกิดบ่อยบ่อยบ่อยบ่อยบ่อยบ่อยบ่อยบ่อยจิตเราก็จะสะอาดและผ่องใสขึ้น เบื้องต้นมันก็จะได้แหละเป็นหน้าที่ใดๆก็จะดีเหมือนอย่างที่กล่าวให้ฟังเป็นอย่างนั้นการภาวนาของเราก็จะง่ายขึ้นมันเอื้อต่อการภาวนาทั้งหมดเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ให้เราเรียนนะอาการ32สองให้ได้ถือเป็นเรื่องเป็นวาระสาคัญไออาการ32เนี่ย มันไปไหนมาไหนคนปฏิบัติเนมันไดอาการสามวิสองไม่ได้แล้วมันเฉยมากอะมาจากสํานักไหนก็เสียชื่ออาจารย์ไม่มีความน่าเชื่อถือฮ ะ, อะเออนั่นแหละคนไหนที่ท่องได้ก็รอดตัวไปแต่คนไหนที่ท่องไม่ได้มันเฉยมากกพูดตรงๆอาการสามสองท่องไม่ได้นี่มันมั น, ม, นมันไม่ได้มันต้องท่องให้ได้อ้ทีก็ฝากไว้อ้าวละ ต่อไปนี้ให้พวกเราไปพักสีห้านาทีแล้วกลับมาภาวนากันต่อ